แววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งพรรัตนสุวรรณคำนำเรื่องแววเสียงสวรรค์ครั้งแรกได้เขียนเป็นตอนๆลงในหนังสือวิญญาณมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์พุทธศักราช2509คำว่าแววเสียงสวรรค์มีความหมายอย่างไรขอให้อ่านดูในข้อความตอนต้นของหนังสือเล่มนี้และการที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มนี้ ก็เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่จะอ่านเรื่องนี้ติดต่อกันไปโดยลำดับและเท่าที่นำมาพิมพ์นี้ยังไม่จบเป็นเพียงเล่มที่หนึ่งซึ่งได้รวบรวมเรื่องว่าเสียงสวรรค์มาจากในหนังสือวิญญาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2509ไปจนถึงเดือนธันวาคม2 5งเรื่องว่าเสียงสวรรค์ได้เขียนต่อไปอีกจนถึงปีพศ2516เพราะเหตุที่เรื่องนี้ยาวมากจึงอาจต้องทาเป็นสามหรือสี่เล่มผู้ที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ครั้งแรกควรอ่านดูสารบัญโดยละเอียดเสียก่อนเพื่อท่านจะได้ทราบว่าปัญหาต่างๆที่คนทั่วไปสงสัยและใครจะรู้นั้นตัวท่านเองซึ่งเพิ่งจะได้อ่านก็อาจจะได้พบปัญหาอย่างเดียวกันกับที่ท่านเคยสงสัยมาแล้วและคำตอบต่างๆที่นำมาลงในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าก็ได้พยายามทำอย่างละเอียดและประณีตมากที่สุดเท่าที่สามารถจะทาได้และปัญหาเท่าที่นามาพิมพ์ไว้ในหน้าสารบัญ น, นี้